ต่อไปนี้จะทำพิธีอุปโลกสังฆทานนะโมตัสสะพระกุโตอะโรฮาโตสัมมาสัมบูชัสสะนะโมตัสสะพระกุโตอะโรฮาโตสัมมาสัมบูชัสสะนะโมตัสสะพระกุหโต อาวะโตสมมาสมบุธิสายากเย้าวสุสังโฆชนะโตอยังป a ตตมาปาโคเทวัสสปะปุนาติอวสิสสะภะกะอมหังปะปุนันโต p ิ k คจ a าสมาเนราชากะหาสะทาจะ อยากท่าสุขังปา ร, ริพุนฌานตูจลานพันท่านผู้มีจิตเมตตากรุณาใจบุญใจกุศลทุกๆ ท, ท่านวันนี้ <c oughs> เป็นวันอาทิตย์ที่สิบสามพฤศจิกายนพุทธศักราชสองพันห้าร้อยห้าสิบสี่ เป็นวันที่ท่านทั้งหลายมีเวลาว่างจากภารกิจการงานต่างๆจึงได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมารับรางวัลที่พระพุทธศาสนาจะมอบให้แก่พวกเราพวกเรานี่เป็นเหมือนผู้ที่ถูกรัตเตอรี่ถูกรางวัลที่หนึ่งเมื่อเราถูกแล้วเราก็ต้องไปขึ้นเงินกัน ฉันใดการได้มาเกิดมาพบกับพระพุทธศาสนาก็ยิ่งกว่าการถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งเสียอีกเพราะรางวัลที่เราจะได้รับจากพระพุทธศาสนาก็คือมรรคผลผนิพพานคือการได้บรรลุรมขั้นต่างๆ ต, ตั้งแต่ขั้นโสดาบันขึ้นไปจนถึงพระอาหารหันต ถ้าไม่ได้พบกับพระพุทธศาสนาก็จ <c> ะ <oughs> ไม่มีโอกาสที่จะได้ <c oughs> บรรลุมรรคผลนผิพพานกันอย่างนั้นการมาวัดเพื่อมาปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนจึงถือว่าเป็นการมาขึ้นรางวัลพอเราปฏิบัติไปแล้ว <c oughs> ผลก็คือมรรคผลนผิพพานต่างๆ ก็จะเกิดขึ้นตามมาอย่างแน่นอนเพราะมีผู้ที่ <c oughs> ได้ขึ้นรางวัลกันมาแล้วเป็นจำนวนมากตั้งแต่ครั้งแรกที่พระพุทธเจ้าได้ทรงประกาศพระธรรมคำสอนก็มีผู้ได้ขึ้นรางวัลกันมาตามลำดับรางวัลก็ตั้งแต่รางวัลที่หนึ่งถึงรางวัลที่สี่ รางวัลที่หนึ่งก็พระอระหรันต์รางวัลที่สองก็พระอนาคามีรางวัลที่สามก็พระสกิดาคามีและรางวัลที่สี่ก็คือพระโสดาบันเมื่อได้รางวัลที่สี่แล้วก็เลื่อนขึ้นไปรับรางวัลที่สามที่สองที่หนึ่งตามลาดับต่อไปถ้ามีการปฏิบัติสุ ป, ปฏิปัโนอุชุยายาสามิจิปฏิปัโน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 ก็ต้องรออีกสักวันสองวันให้โพเหนือน้ำขึ้นมาก่อนแล้วก็จะบรรลุมรรคผลนิพพานได้คือต้องฟังธรรมหลายหนปฏิบัติมากหน่อยมากกว่าพวกแรกพวกแรกนี้ไม่ต้องปฏิบัติเลยหรือปฏิบัติในขณะที่กําลังฟังเทศฟังธรรมอยู่พวกนี้สามารถบรรลุมรรคผลนิพพานได้ ในขณะที่ฟังเทศฟังธรรมดังที่ปรากฏบีอยู่ในพระไตรปิฎกเช่นพระอญญาญยโกธัญญะก็บรรลุเป็นพระโสดาบันเมื่อได้ฟังพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นเพียงครั้งเดียวครั้งแรกและต่อมาหลังจากที่ได้ฟังอีกครั้งสองครั้งพระปัญจวคีทั้งห้า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 เขาก็สละไปหมดให้ผู้อื่นไปหมดแล้วก็ออกมาบำเพ็ญเพ็ญศีลและการปฏิบัติธรรมมีศีลมีสมาธิแต่ไม่มีปัญญาเพราะไม่มีใครรู้ปัญญาที่จะทำให้ได้บรรลุมรรคผลนิพพานกันต้องรอพระพุทธเจ้ามาสั่งมาสอนเท่านั้น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 พุทธเจ้าได้พบกับพระธรรมคำสอนพอได้ยินได้ฟังธรรมก็จะบรรลุมรรคผลนิพพานขั้นต่างๆทันทีเลยนี่คือพวกแรกพวกที่มี <c oughs> มีความสามารถมีบุญไว้รอรับพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าคือมีทานมีศีลมีสมาธิ พวกที่สองนี้ก็เปรียบเหมือนกับพวกที่มีฌานมีศีลแต่ยังไม่สามารถนั่งสมาธิได้ทำจิตใจให้สงบยังไม่ได้พวกนี้ก็ต้องพยายามมันเจริญสติมันนั่งสมาธิจนกว่าจิตจะรวมลงเป็นหนึ่งเป็นเอกตารมเป็นฌานถ้าได้ฌานได้ความสงบ จิตรวมตัวเต็มที่แล้วพอออกมาจากฌานออกมาจากสมาธิพอได้ยินได้ฟังห ร, หรือพิจารณาธรรมของพระพุทธเจ้าก็จะสามารถบรรลุทำขั้นต่างๆได้ส่วนพวกที่สามคือพวกบัว ก, กลา ง, งาน้ำนี้ก็เป็นพวกที่ทำทานอย่างเดียวมีศรัทธา มีความเชื่อในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแต่อินทรียังไม่แก่กล้าพออินทรีย์คือศรัทธาวิรยิยะสติสมาธิปัญญายังอ่อนถ้าเป็นคนก็เป็นเหมือนเด็กที่ยังไม่สามารถที่จะทำอะไรได้ด้วยตนเองหรือทำได้ก็ไม่มากเหมือนผู้ใหญ่ต้องรอให้เจริญเติบโตขึ้นมาก่อน ต้องพัฒนาจากการทำทานให้ขึ้นไปสู่การรักษาศีลรักษาอย่างจริงจังไม่ใช่รักษาแบบมาวัดพอสมาทานศีลก็สมาทานไปพอออกจากวัดก็โยนศีลทิ้งลงถังขยะไปอย่างนี้ไม่เรียกว่าเป็นการรักษาอย่างจริงจังรักษาอย่างจริงจังนี้ต้องเป็นนิจศีลก็เป็นศีล ศีลที่เป็นนิสัยคือรักษาอยู่ทุกวันเช่นศีลห้านี่ต้องรักษาทุกวันจะขาดบ้างเกินบ้างก็ไม่เป็นไรก็ค่อยทําไปแต่อย่าอย่าไม่รักษาเลยนะควรจะรักษาศีลห้าทุกวันได้กี่ข้อก็ดีกว่าไม่ได้เลยดีกว่าไม่รักษาเลยรักษาไปเรื่อยๆแล้วต่อไป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 การนั่งสมาธินี้จะได้ผลก็ต่อเมื่อได้รักษาสีนแปดถ้าไม่ได้รักษาสีนแปดแล้วจะไม่มีกำลังพอที่จะนั่งสมาธิเพราะว่าสีหานี้ไม่สามารถตัดกาลังของกิเลสคือกามฉันทะได้ก็กิเลสก็จะมีกำลังลากให้ไปหาความสุขกับเครื่องบันเทิงต่างๆ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 ไม่สามารถหาความสุขจากการรับประทานอาหารหลายหลายมือไม่สามารถหาความสุขจากการนอนบนฟูกหนาๆได้เมื่อไม่มีเมื่อถูกตัดก็จะมีเวลาที่จะมานั่งสมาธิพอได้นั่งสมาธิเรื่อยๆบ่อยๆต่อไปจิตก็จะรวมลงเข้าเป็นสมาธินพอได้สมาธิแล้วทีนี้ พอฟังเทศฟังธรรมหรือนําเอาธรรมะที่ได้ยินได้ฟังมาพิจารณาก็จะบรรลุธรรมได้พวกนี้ก็ต้องใช้เวลามากหน่อยเป็นพวกที่สามส่วนพวกที่สี่คือบัวที่อยู่ติดกับโคลนกับตมอยู่ในพื้นพื้นบ่อพื้นสาเนจะไม่มีโอกาสเจริญงอกงามขึ้นมาได้จะกลายเป็นอาหารของปูของปลาไป เพราะพวกนี้ก็คือพวกที่ไม่ไม่ยินดทีที่จะมารับรางวัลที่พระพุทธศาสนาจะมอบให้นั่นเองคือไม่มีศรัทธาไม่มีความเชื่อว่าพระพุทธศาสนานี้มีมีรางวัลอันเลิศอันประเสริฐที่จะมอบให้ถ้ามาขึ้นรางวัลคือถ้ามาวัดมาทาบุญให้ทานมารักษาศีลมาฟังเทศฟังธรรมมาปฏิบัติธรรม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 ว่าทำดีได้ดีทำเชั่วได้ชั่วพวกนี้ก็จะไม่มีสิทธิ์หรือไม่มีโอกาสที่จะได้รับรางวัลอันประเสริฐของพระพุทธศาสนาแต่พวกเรานี้เป็นพวกสามสามพวกด้วยกันเกิดเป็นพวกที่อยู่กลางน้ําอยู่ปลี่นน้ําแล้วก็อยู่เหนือน้ําขอให้พวกเรารีบขวนขวายกัน รีบเร่งสร้างอินทรีย์ให้กายเป็นภละขึ้นมาอินทรีย์หก็คือศรัทธาวิริยาสติสมาธิและปัญญานี่คืออินทรีย์ที่เราจะต้องสร้างเหมือนกับการปลูกต้นไม้เราต้องหมั่นรดน้ำพทวนดินให้กับต้นไม้อยู่เรื่อยๆแล้วต้นไม้ของเราก็จะได้เจริญเติบโตบขึ้นเป็นต้นไม้ใหญ่ ออกดอกออกผลขึ้นมาเราต้องสร้างอินทรีห้านี้ให้กลายเป็นพละห้าเป็นพลังของจิตเป็นพลังของธรรมต่อไปศรัท ธ, ธาก็เกิดขึ้นด้วยการศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าจากแหล่งที่ที่ถูกต้องคือจากพระไตรปิฎกหรือจากคุูบาาจารย์พระ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 พอเชื่อแล้วว่าสิ่งที่พระเจ้าทรงสอนนี้มีจริงมรรคผลมิพานมีจริงสามารถปฏิบัติบรร ล, ลุมรรคผลมิพานได้ภายในชาตินี้เลยถ้าถ้าขยันปฏิบัติสร้างสติสร้างสมาธิสร้างปัญญาขึ้นมาพอเมื่อมีความเชื่อแล้วก็จะเริ่มเริ่มมีความขยันขยันทาบุญให้ทาง ขยันรักษาสีนขยันเจริญสติเมื่อเจริญสติแล้วเวลานั่งสมาธิจิตก็จะสงบได้เมื่อเมื่อสงบได้แล้วก็ยิ่งจะมีกําลังจิตกําลังใจที่จะทำให้มากยิ่งขึ้นไปมีภารกิจการงานอื่นๆก็จะโยนทิ้งไปหมดมีงานก็จะลาออกจากงานถ้ามีอะไรที่จะตัดได้ปล่อยได้ก็จะตัด เพื่อจะได้มีเวลานั่งสมาธิปฏิบัติธรรมให้ให้มีมากยิ่งขึ้นไปตามลําดับนี <Yeah. S 1> แล้วพอได้สมาธิแล้วเวลาออกจากสมาธิก็สามารถเจริญปัญญาได้พิจารณาธรรมได้พิจารณารไาราตรลักษณ์ที่จะทําให้มีดวงตาเห็นธรรมขึ้นมาได้ผู้ที่มีดวงนาเห็นธรรมนี้จะต้องเห็นไตรลักษ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 พอเราปล่อยวางได้เราก็หายทุกข์ทุกข์ก็หมดไปเพราะเราเห็นอนิจจังไม่เที่ยงเห็นอนัตตาว่าไม่ใช่เป็นตัวเราของเรานี่คือการจเจริญปัญญาจเจริญไตรักจเจริญอริยสัจสี่ทุกขสมุทัยนิโรธมรรคเห็นว่าร่างกายความทุกข์ของเราเกิดจากความอยากให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตาย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 ข้าการความแก่ความเจ็บความตายร่างกายจะแก่จะเจ็บจะตายอย่างไรไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนไม่วิตกกังวลเมื่อวานนี้ก็มีคนมาเล่าให้ฟังอยู่คนหนึ่งว่าเวลาเขามีความทุกข์ใจนี้เขาก็คิดว่าอย่างมากก็แค่ตายพอก็คิดอย่างนั้นนัความทุกข์ก็หายไปหมดเลยเพราะเขาไม่ยึดไม่ติดเพราะเขาเห็นว่าร่างกายนี้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 จะติดคุกก็ติดไปจะยึดทรัพย์ก็ยึดไปแต่ใจไม่เดือดร้อนแล้วเพราะยะใจได้ยอมตายยอมให้ร่างกายตายไปเมื่อยอมตายแล้วแม้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนี้จะไม่มีความหมายอะไรเลยเช่นน้ำท่วมบ้านตอนนี้ก็จะไม่เป็นปัญหาเลยสำหรับผู้ที่ตายไปแล้วตายด้วยความตายด้วยปัญญาคือตายด้วยการในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่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 ทำบุญให้ทานรักษาศีลได้เจริญสติได้นั่งสมาธิได้ฟังเทศฟังธรรมเราก็จะได้พิจารณาเจริญปัญญาได้พอเจริญปับ๊บเราก็จะเห็นปัญหาของเราทันทีว่าปัญหาคือความทุกข์ใจของเรานี้เกิดจากความอยากต่างๆนี้เองเกิดจากการอยากมีอยากเป็นอยากไม่มีอยากไม่เป็น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 ความทุกของเราด้วยการกระทำความอยากก็จะเป็นอย่างนี้ความทุกจะมีแรงขึ้นไปเรื่อยๆวันนี้ทำอย่างนี้พรุ่งนี้ต้องทำมากกว่านี้ถึงจะถึงจะรู้สึกว่ามีความสุขล้วพอไม่ได้ทำก็จะรู้สึกมีความทุกขมากกว่าเดิมดังนั้นวิธีที่แก้ความทุกข์ใจแก้ปัญหาของใจนี้ไม่ได้อยู่ที่การกระทำตา ม, ตามความอยาก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 ยังดีกว่าปล่อยให้มันเผาผลาญจิตใจต่อไปถ้าเราอยากจะดับอย่างถาวรเราก็ต้องใช้ปัญญาปัญญาที่พู้เจ้าสอนให้เรามองให้เห็นว่าทุกอย่างเป็นทุกข์นั่นแหละไม่มีอะไรในโลกนี้ให้ความสุขกับเราอย่างแท้จริงเป็นความสุขที่เคลือบความทุกข์ไว้เป็นเหมือนยาขมเครือบน้ำตาลความสุขที่ได้จากสิ่งเหล่านี้มัน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 รับรางวัลอันเลิศอันประเสริฐคือนิพพานังปรมังสุขขังคะววามบรล ม, มาสุขของพระนิพพานนี้เป็นของพวกเราทุกคนอยู่ที่ว่าพวกเราจะทำให้ปรากฏขึ้นมาหรือไม่พวกเราทุกคนมีสิทธิ์เหมือนคนที่ถูกลอตเตอรี่ถูกวอตเารี่รางวัลที่หนึ่งมีสิทธิ์ที่จะนำไปขึ้นรางวัลได้อยู่ที่ว่าจะไปขึ้นหรือไม่ อยู่ที่ว่ามีศรัทธาความเชื่อหรือไม่ว่าลอตเตอรี่ที่เราซื้อมานี้ถูกรางวัลที่หนึ่งจริงๆเราอาจจะไม่เชื่อกระด้เราอาจถ้าเราไม่เชื่อเราก็จะไม่ไปขึ้นรางวัลนะแต่ถ้าเราเชื่อแล้วเราไปขึ้นรางวัลเราก็จะได้รับรางวัลอย่างแน่นอนถ้าเราเชื่อว่าพระพุทธเจ้าได้มอบรางวัลที่หนึ่งให้กับพวกเราแล้วพวกเราเพียงแต่ปฏิบัติตามคําสอนของท่านเท่านั้น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 นี่ก็เป็นการเดินทางมารับรางวัลขอให้ทำไปเถิดทำไปให้ถึงทำให้เต็มที่รับรองได้ว่ารางวัลคือมรรคผลนิพพานจะต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอนการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณทศีรัตน์ไตรและบุญกุศล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 ยะถาวะวะฮาปุราปะริปุเรนติสาคหลังเอวามีวาอิโตตินางเปตานังอุปกาป a ติอิจิตังปะติตังตุนห um ังกิพามีวาสมิจโตสัพเพปุเรนโตสังกาปาจันโทปนาบาโสยะถา มณีจุิระโสยตาสปีตุวิวัจจตุสภาวโควินาสัตวนาเต O Tana Wa. Oh. Um. ขอเชิญยอดโยมกราพระตนะไตรพร้อมกันค่ะอะระหังส ม, มาสัมพุทโธพระขาวาพุทังพระขวาวันตังอาภิวาเทมสวากตโตพระขาวตาธรรมะม ธรรมนามสานสุปฏิปันโนภะคาวโตสาวกสังโฆสร้างทางนามิขอเชิญญาติชมทุกท่านรับประทานอาหารค่ะเชิญค่ะ